เดี๋ยวต่อไปเราท่านทั้งหลายนะตั้งใจตั้งใจนอบน้อมนะเออปนมือปนมมื อ, มมอตั้งใจฟังธรรมกันเนาะฟังข้อมูลที่พระบรมศ า, ศาสดากล่าวนะวิธีปฏิบัติในคือพระพุทธเจ้าตรเกี่ยงในเรื่องของสังเวชนิยสถานสี่ตำบลหรือสี่แห่งเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรัสไว้ในชั้นของคำสอนตรัดในเรื่องของอมิสบูชากับปฏบิบัติบูชาดังได้กล่าวไว้แล้วถามบอกว่าพระบรมศ า, ศาสดาเนี่ยทรงบรรทมแขงดะคเออบรรทมตะแขงด้านขวาที่ต้นสารคู่เมื่อเช้าเราไปกันมาใช่ไหมพระบรมศาสด า, สดาทรงเห็นความอุตรษาใ ห, ใ, หใหญ่ของพุทธบริษัท ยิงตรัสบูชาสองอย่างว่าท่านอธิบายไว้ว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตเนี่ยนะเราตถาคตที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าบอกว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตมอบกคหมายความบอกว่าทรงตอนที่พระบรมศาสดาบำเพ็ญบารมีสมัยพระธีปังกรสัมมา ส, สัมพุทธเจ้านั้นเน่ยตถาคตตอนนั้นน่ย อยู่แทบประบาทมูลบาทของพระพุทธเจ้านำวาตทีพังกรประชุมธรรมะสมโถสี่แปดประการเมื่อจะกระทำอภินิหารไม่ใช่กระทำอภินิหารเพื่อประโยชน์แก่พวงมาลัยของหอมดุริยางสังคีติไม่ใช่บำเพ็ญบารมีทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่สิ่งเหล่านี้นะเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพระบรมศาสดาไม่ใช่บำเพ็ญบารมีเพื่อประโยชน์แก่ ของสการะซึ่งเป็นอมิสบูชาอย่างนี้เลยถามว่าที่พระเจ้าตรัสอย่างนี้เพราะอะไรเพราะบอกว่าประโยชน์แก่การแก่พวกมาลัยของหอมดุริยางสังคีตตะนิชัยบำเพ็ญบารมี1ิบอุปปารมีสิบประมระเถบารมีสิบเพื่อประโยชน์แก่สิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะถาคต ไม่ชื่อว่าเขาบูชาแล้วด้วยการบูชาอันนี้เลยถามว่าเพราะเหตุไรพุทธเจ้าทรงสารเสริญวิบากแม้พระพุทธญาณก็กําหนดไม่ได้ของการบูชาก็หมายความว่าการบูชาเนี่ยยิ่งใหญ่ไหมอมิสบูชาเนี่ยิ่งใหญ่นะไม่ใช่ไม่ ย, ยิ่งใหญ่ขนาดกําหนดพุทธญาณเนี่ยนะกําหนดดูผลของทานนั้นน่ยยังสามารถกําหนดได้ไม่หมดไม่สิ้นเลย มากมายจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อประโยชน์จะทรงธนุทรงอนุเคราะห์บริษัทอย่างหนึ่งนะหรือเพื่อประสงค์ให้พระศาสนาดำร ง, ย, งยั่งยืนนั้นอย่างหนึ่งคือพระบรมศาสด า, สดานี่นะทรงอนุเคราะห์อนุเคราะห์ว่าถ้าพระบรมศาสดาปรินิพานไปถ้าหากว่า พุทธบริษัทมัวแต่ทำอามิสบูชาอย่างเดียวต่อไปในอนาคตพุทธบริษัทก็ไม่ต้องบำเพ็ญศีลไม่ต้องบำเพ็ญสมาธิไม่ต้องบำเพ็ญปัญญาไม่ต้องบำเพ็ญศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญากันแล้วได้แต่ชักชวนกันกระทําการอามิสบูชาอย่างเดียวซึ่งไม่อาจจัดํารงศาสนาของพระาศาสดาไว้ได้จริงอยู่ ชื่อว่าอมิสบูชานั้นไม่สามารถจะดำงรงศาสนาคือศีลสมาธิปัญญาไว้ได้แม้ในวันหนึ่งแม้ในชั่วดื่มคาวยืมข้าวยาคูครั้งหนึ่งบ้างวิหารพันแห่งเช่นมหาวิหารเจดีพันเจดีเช่นมหาเจดีก็ไม่สามารถดำรงศาสนาไว้ได้บุญผู้ใดทมก็เป็นของผู้นั้นเช่นเรามาทาการบูชา บุญก็สําเร็จแก่เรากันหมดแล้วแต่การบูชานี้บุคคลอื่นไม่ได้ประโยชน์ตามเราไงฉะนั้นพระศาสดาจึงขับเน้นว่าอามิสบูชาไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ดีแต่พระศาสดามาเน้นขับเน้นว่าเมื่อมีอามิสบูชาดอกไม้ของหอมแล้วขอให้อามิสบูชานั้น เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อธรรมบูชาที่ท่านใช้คำว่าธรรมานุธรรมาปฏิปันโนเนี่ยการปฏิบัติปุพพากปฏิบัตาก็คือการปฏิบัติเบื้องต้นเริ่มตั้งแต่การเดินตามศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้นเหล่านี้สามีอิปปฏิปันโนที่เราสวดกันเนี่ยนะก็เป็นปฏิบัตากการปฏิบัติชอบอย่างยิ่ง อนุธรรมจารีก็คือปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญกุศลธรรมคือทำศีลสมาธิปัญญาที่เขาเรียกว่าปุประภาคปฏิบัติาก็ได้แก่การเจริญในศีลอาจาระบัญญัติการสมาทานทุ ด, ดงก็หมายความว่าเริ่มตั้งแต่ปาฏิโมกข์สังวรศีลอินเดียสังวรศีลอาชีวปฏิสุทธิศีลปัจจะยะสันนิสิตศีละมาใช้พท์อย่างนี้หน่อยนะสรุปก็คือว่าเราเนี่ย เริ่มมาบำเพ็ญตั้งแต่การเจริญกุศลศีลเป็นต้นไปตามลำดับแล้วก็เริ่มปิดบาปที่มันจะไหลมาถือทาวานตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ราคาโทสะโมหะหมุนเข้าสู่กระแสจิตแล้วก็เริ่มประกอบอาชีวะให้บริสุทธิ์แล้วก็ขึ้นสู่เรือใหญ่โดยการพิจารณาปัจเจกขณะสุทีในการใช้ปัจจัยทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็เริ่มถือทุ ด, ดงระพติปฏิบัต เป็นไปตามลำดับในที่สุดจริงๆก็จนถึงนุ่นแหละโคตรลภูยานมัคยานเป็นตัวเหล่านั้นน่ะิกษุที่ตั้งอยู่ในอักคารวะหละเมิดพระบัญญัติเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนาภิกษุนั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติสมควรเก่ทรธรรมถามบอกว่าภิกษุละเมิดศิกขาบทภิกษุนีอุบาสกและบาสิกาก็เหมือนกันนาะอักครวะก็คือไม่ตระหนักในคุณของพพุทธเจ้า ก็หมายความว่าอยู่ต่อหน้าพระศ า, าสดาก็ไม่เคารพสวมรองเท้าเข้ามาในพระเจดีไม่แสดงการนอบน้อมสถานที่เหล่านี้เป็นต้นอย่างนั้นเขาเรียกไม่เคารพในพระศาสดาถ้าพระบรมศาสดายัางทรงพระชนอยู่ก็ไม่เขา้าเข้าไปเฝ้าพระศาสดาเพื่อฟังธรรมเพื่อฟังธรรมหรือพระศาสดาแสดงธรรมก็เงัหน้าไปทางอื่นเนี่ย ลักษณะอย่างนี้เ็เรียกว่าไม่เคารพพระศาสดาถ้าไม่เคารพพระธรรมในขณะที่ฟังธรรมก็ปล่อยให้บาปเกิดขึ้นอคคาระในพระธรรมถ้าไม่เคารพในพระสงฆ์ก็คือว่าถ้าพระต่อพระก็คือเห็นพระเถระมาแล้วก็ไม่ลุกรับไม่ปูอานนะถวายเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นถ้าไม่เคารพในสิกขาสามก็ไม่พอกคุณสิกขาสามคือทาศีลสมาธิปัญญาให้เกิด ขึ้นไม่เคารพในสมาธิไม่ทําอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิให้เกิดขึ้นไม่เคารพในความไม่ประมาทก็คือว่าอยู่อย่างขาดสติเพ้อเลอไม่ตามระลึกในคําสอนไม่ย้อนระลึกในคําสอนแล้วก็จําก็ไม่ได้ฟั่นป่วนเรื่อยๆแล้วก็อย่างนี้เขาเรียกไม่เคารพในสติในความไม่ประมาทท่านบอกพระภิกษุเป็นต้นเหล่านั้นนี่ย ละเมิดพระบัญญัติเลี้ยงชีวิตด้วยอเนสนาภิกษุนั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมส่วนภิกษุใดไม่ละเมิดสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วแก่ตนทั้งหมดที่ขีดท่านเขตแดนและเส้นบรรทัดของพระชิ น, นเจ้าแม้ปรแม้ประมาณน้อยภิกษุนั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมถ้าคารอุบาสกเลบาสิกา ก็เอาตั้งแต่ศีลห้านะโดยยึดเวรทั้งห้านี่แหละไม่ล่วงละเมิดเช่นที่บอกว่าเห็นบุคคลอื่นก็น้อมให้ชีวิตแก่ บ, บุคคลอื่นเห็นไมไม่คิดเบียดเบียนเขาไม่คิดฆ่าเขาไม่ไปโกรธเขามีพระไม่ต้องพูดเนะเอาคารวาเลยแหละให้ให้ชีวิตเขา แต่ไม่ใช่ไปเบียดเบียนชีวิตเขาไม่จะไปคิดโกรธอาฆาตเขาเนี่ยให้เลยให้ความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนอย่างเงี้ยนะทําศีลข้อที่หนึ่งให้ฟูขึ้นในกระแสะใจแล้วก็น้อมให้ศีลที่สองข้อที่สองเกิดขึ้นด้วยว่าทรัพย์สมบัติของเขาจงเป็นของเขาเนี่ยไม่น้อมที่จะคิดเอาของเขามาเป็นของเราเลยเนี่ยนยข้อที่สามก็คือว่า ไม่ให้ความปลอดภัยในคู่ครองของเขาไม่คิดแย่งชิงของใครข้อต่อไปก็คือให้ความปลอดภัยในทางด้านของการที่ว่าให้คําสัตย์คําจริงแล้วก็ทะลุทะลวงไปจนถึงว่าให้คําไม่แตกสามัคคีด้วยนะให้ความสมัครสมานสามาคัคคีแล้วก็ให้ความอะไรอีกให้คำํำวาจาเพลาะแล้วก็ไม่ ให้คําที่เป็นอัดเป็นธรรมแล้วก็ให้ความไม่ประมาทมัวเมาเป็นต้นเหล่านี้กุศลกรรมบท10เป็นต้นด้วยนะละอกุศลกรรมบท10แล้วประพฤติตามกุศลกรรมบว10ประพฤติไว้ให้แนบแน่นอุบาสกอุบาสิกานั้นชื่อว่าถ้าไปละเลยนะไปยึดเอเวนทั้ง5้าโกรธเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะเบียดเบียนเขาคิดจะทําลายเขาคิดจะเอาทรัพย์ของเขา คิดจะพลากคู่คลองเข า, าคิดจะโกหกเขาเป็นต้นเหล่านี้นะหรือว่าประมาทมัวเมาหรือประพฤตินในอกุศลกรรมมาบท10ยึดไว้ในใจอย่างแนบแน่นอุบาสกท่านนั้นอุบาสิกาท่านนั้นชื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ทำส่วนอุบาสกอุบาสิกาใดปฏิบัติให้บริบูรณ์ด้วยสารณะทั้ง3คือพุทธรัตนะธรมรัตนะสังขรัตนะที่ ท่านตรัสไว้นะในอังคุตระนิกายที่บอกกัยาโตจากโคมหานามาอุปาสโกพุทธังตรานังกโตโหติธรรมังตราังโตโหติสังคังตราังกโตโหติเนตตาวตาโคนามาอุปาสโกดูก่อนม ama, หานามาอุปาสกพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะพูดถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะพูดถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะด้วยการป Gary ระกาศได้ดงัง ปการดังที่กล่าวมานี้จึงชื่ออุบาสกจึงชื่ออุบาสิกานี่นะโดยก่อนมหานามะบุคคลเกิดมาในโลกนี้เป็นหญิงก็ดีเป็นชายก็ดีนะมีความเยินดีในพระธรรมคําสอนของพระศาสดาอุตสาหารักษาพุทธคุณเจริญพุทธคุณนั่นเองเจริญพระธรรมคุณเจริญสังฆคุณนับถือว่าเป็นที่พึ่งล้ําเลิศประเสริฐที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจึงได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกจึงได้ชื่อว่าเป็นอุบาสิกานะ นี้เราก็เอาและก็มาพิจารณาบอกว่าพระบรมศาสดาเนี่ยเป็นบุคคลที่เจริญที่สุดนะท่านพระโคตมะเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐที่สุดภาษิทธิ์ของพระองค์ก็แจ่มแจ้งยิ่งนักภาษิทธิ์ของพระองค์ก็ไพเราะนักพระองค์ประกาศธรรมโดยอเนกปริยายนี้เปรียบเสมือนอะไรบุคคลหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีบในที่มืดตั้งใจว่าคนมีจักษุจะเห็นรูปดังนี้เป็นต้นนะ นิประกาศความเลื่อมใสเราบอกเอสาหังพักวันตังโคตะมังตารง า, านาังคัจฉามิธรรมมันจ่าพิคูสังคัญจะอุปาสการ์เป็นต้นอันนี้ก็ว่าไปตามลําดับเลยเนะอันนั้นแปลว่าพวกเราทั้งหลายมาประกาศยืนยันว่ามาขอถึงสารณาคมบอขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงจนตลอดชีวิตเลยที่ได้กล่าวไปแล้วไงตรงนี้ที่พบ พรบรมศพเนี่ยนะประชุมเพลิงบรมศพของพระบรมศาสดาได้กล่าวไว้แล้วว่าตอนที่พระบรมศาสดาปรินิพานตรงที่ปรินิพานสถูบที่เราไปสักการะบูชากันมาที่ตรงนั้นน่ยมีการฉลองมีการบูชาพระศาสดาคําว่าฉลองในที่นั้นคือบูชานะบูชาบรมศพของพระศาสดานสารวนาทยานตรงนั้นนั่นแหละที่ าไม้สาระคู่นั่นเองที่พระบรมศาสดาปรินิพพานที่ตรงนั้นเน่เจ็ดวันครบเจวันก็เคลื่อนย้ายพระบรมศพของมาศาสดามาที่ตรงนี้แล้วก็ทำการสการาบูชานโดยอมิตรของหอมเป็นต้นและมาศาสดาก็ตรัสไว้ว่าถ้าจะให้ประเสริฐสูงสุดจริงๆก็ต้องเป็นปฏิบัติ บ, บูชาหรือธรรมะบูชา ถ้าบูชาด้วยมาลาบำรงมานดาบิดาบำรงสมณพราหมุบาศกนั้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแมนะ้อุบาสิกาก็ในนี้เหมือนกันการบูชาสูงสุดพระผู้มีพาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเนี่ยจึงชื่อว่านิรามิตรสบูชาก็คือการบูชาที่ปราศจากอามิศสามารถดำรงศาสนาของเราไว้ได้จริงอยู่บริษัทสีนะภิกษุภิกษุณีอุบาศกอุบาสิกาเนี่ยจักบูชาเราด้วยการบูชานี้เพียงใด ศาสนาของเราก็รุ่งเรืองดุจดวงจันเพ็นลอยเด่นอยู่บนนภ า, ากาศฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าสาวกของพระปรมศาสดาเนะีปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยสาวกของพระศาสดานั้นชื่อว่าเป็นการบูชาพระศาสดาอยู่เนืองนิดเราท่านทั้งหลายมีอาิสบูชาแล้วเมียไม่เพียงแค่นั้นนะยงน้อมอา弥สบูชาเข้าสู่การเป็นธรรมบูชาให้ได้แล้วพระปรมศาสดา ก, ก็ตรัสแก่พระอนนท์พระนนทุน ปารอบว่าในการก่อนพวกภิกษุที่อยู่ในทิศ ต, ต่าง ๆ, ๆต่างพากันมาเฝ้าเพื่อเห็นพระตถาคตทําให้พวกข้าพเจ้าได้เห็นได้เข้าไปนั่งใกล้บรรดาภิกษุเหล่านั้นด้วยเมื่อพระองค์ล่วงไปแล้วจักไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุผู้เจริญตาเจริญใจอย่างนั้นจะทําอย่างไรพระบรมศาสดา ก, ก็ตรัสว่าดูก่อนอา น, นน์สังเวชนียสถานสี่แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธานนะสังเวชนียสถานสถานที่ ไปดูไปแ ล, แล้วเพื่อจะให้เกิดสังเวคายานะเกิดยานปัญญาแล้วเกิดความสะดุ้งสะเทือนกลัวว่าบอกว่าการเกิดนี่เป็นภัยใหญ่ความแก่นี่เป็นภัยใหญ่ความเจ็บไข้ก็เป็นมหันตภัยอันใหญ่ความตายก็เป็นมหันตภัยอันใหญ่แม้พระบรมศ า, ศาสดาผู้มีมหาปุริสลักษณะและอนุพยัญชนะ80ประการนั้นน่ะีละยังไม่สามารถจะคงทนทาวรได้จะป่วยกกาวไปใหญ่กับเราท่านทั้งหลายใช่ไหม พระบรมศาสดาก็ตรัสถึงสังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาเรามีศรัทธาก็จะได้มาลึกว่าพระบรมศาสดาพระตถาคตเจ้าเนี่ยประสูตนะิณที่ตรงนี้ที่สวนลุมินีวันสังเวชนียสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาที่จะมาละลึกว่าตถาคตตัตถุอนุตตรสัมมาสาัมโพธิญาณที่วัชระอาที่โพธิบัลลังตรงนี้ สังเวชนียสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยละเลิกว่าพระธรรมคตยังธรรมจักรให้เป็นไปที่ป่าอิสิสปัตนมิกทายาวันสังเวชนียสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาจะได้มาละเลิกว่าตรรมคตปรินิพานด้วยอนุปาที่เสสานิพานธาตุในที่ตรงนี้อานอนส์สถานที่สแห่งนี้เป็นต้นเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธานะภิกษุภิกษุณีบาศกและบาสิกานะ เมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นจักมาละลึกถึงชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจติยะสถานยังจิตให้เลื่อมใสแล้วทำกาละทำจิตให้เลื่อมใสทำจิตให้ศรัทธาให้มีความเพียรในการตั้งมั่นในการุศลในกุศลมีสติตามละลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและมีสมาธิที่ตั้งมั่นในคุณของภาษาสดามีปัญญารู้คุณของภษ า, าสดาแล้วก็เข้าใจ โทษของสังสารวัฏอย่างแท้จริงนะเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกนะจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ตรงนี้ก็คือว่าครั้งพุทธการภิกษุทั้งหลายพาการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าสองเวลานะจวนเข้าพรรษาเพื่อรับกรรมฐานออกพรรษาแล้วก็กล่าวบอกคุณวิเศษที่เกิดขึ้นประกอบเนืองในกรรมฐานเป็นต้นเหล่านี้นะถามบอกว่าภิกษุใดเจริญเพิ่มพูนมโนมนะก็คือว่าลอยกิเลสดุจธุลี รอยราคาโทษาโมหาเป็นต้นใดและภิกษุเหล่านั้นแหละที่พนนนระอนุปราถนาอยากจะพบได้ยินว่าพระอนนน์เนี่ยถึงพร้อมในวัดปฏิบัติต่างๆอย่างเพียพร้อมภิกษุแก่ก็ออกไปต้อนรับรับบาทรับลมรับจีวรเป็นต้นเหล่านี้และแต่งตั้งอาสนะถวายเมื่อท่านนั่งในที่ใดก็แล้วแต่นเนี่ยนะก็จะทําวัดจัดเสนาสนะถวายภิกษุใหม่ก็เข้าไปหาใกล้ๆดูแลไต่ถาม ครั้งที่พระ อ, องค์ยังทรงดำาลิว่าอานนท์บอกว่าจักไม่พบภิกษุที่น่าเจริญใจเอาเธอเราจะบอกสถานที่ภิกษุผู้ที่น่าเจริญใจเหล่านั้นแก่เธอที่เธอจะต้องไม่ต้องเที่ยวไปนจักได้พบภิกษุผู้น่าเจริญใจจึงตรัสถึงสังเวชนียสถานสแห่งต่อมาเขาก็บอกว่าพระนนท์ก็ถามการปฏิบัตินะในถูปรารหาบุคคล4เหล่านั้นก็หมายความบอกว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยควรสักการะควรบูชาควรตั้งสถูปเจดีย์ไว้ถวายพระปเจพผู้เจ้าพระอรหันตสาวกหรือพระเจ้าจากักรพรรดิบุคคล4ี่จำพวกเนี่ยอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพุทธเจ้าจึงตรัสอย่างนั้นบอกว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปเจผู้เจ้ า, จาสาวกของพระตถาคตหรือพระเจ้าจากักรพรรดิถึงจะเป็นถูปรารหาบุคคลบุคคลที่ควรสักการะบูชาเพราะชนเป็นอันมาก ยังจิตให้เลื่อมใสยังใจให้ศรัทธาในสถูวเหล่านั้นเป็นต้นเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เนี่ยเราทำศรัทธาให้เลื่อมใสให้เกิดขึ้นในเจติยสถานแห่งนี้นะเนี่ยเลื่อมใสก็คือว่ามาเคารพให้ถูกนะมานอบน้อมจริงๆแต่เราเห็นบางท่านที่เขามาเขาก็อยากจะศรัทธากันนะแต่เขาไม่เข้าใจข้อมูลในยมนะพระพุทธเจ้าก็ถาม มีอยู่ข้อหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าพระควรปฏิบัติต่อสตรีอย่างไรพระเจ้าบอกว่าไม่เห็นดีนะถ้าเห็นจําเป็นต้องเห็นก็อย่าพูดถ้าทาจะพูดก็พูดอย่างมีสตินี่นะภิกษุพึงปฏิบัติขั้นพระเจ้าตรัสว่าบุตรปุ๊บบอกว่าที่ตรัสอย่างนี้ก็บอกว่ากรณีที่บอกว่าบุรุษผู้ยืนถือดาบด้วยกล่าวว่าถ้าท่านพูดกับเราจะตัดศีรษะท่านเสียนี่แหละหรือนางยักษิศรียือนอยู่ถ้าท่านพูดกับเรา เราจะแล่เนื้อท่านกินเดี๋ยวนี้นี่แหละยังดีกว่าว่างนั้นนะเพราะความพินาศในข้อ น, นั้นเป็นปัจจัยย่อมมีได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นไม่ต้องสเสวยทุกข์ในใบยภูมินะวังนั้นนะส่วนเมื่อภิกษุเจราจาปาศัยกลับมาดุกขาไม่มีสติเนี่ยนะเป็นช่องทางภิกษุนั้นถูกราคะคุมรุมโทสะคุมรุมโมหะคุมรุมเบื้องหน้าเตตตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอบายทุคติวินิบาตานรก ตรงนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เพื่อเตือนนะให้ภิกษุรักษาศีลอีกข้อหนึ่งก็คือว่าพระาศาสดาให้วางใจให้ถูกถ้าสนธนากรรมาตุคามที่อายุแก่กว่าก็าให้สําคัญว่าเป็นแม่น้อยกว่าสําคัญก็เป็นน้องมากกว่านิดหน่อยสําคัญว่าเป็นพี่เป็นต้นเราเนี่ยนะเพราะว่าถ้าจะไม่สนธนาเลยก็ไม่ควรให้ตั้งจิตโดยคิดว่าเป็นลูกสาวในสตรีปูนลูก เป็นพี่สาวในฐานะเป็นพี่สาวเป็นต้นนิการว่าตั้งสติในที่นั้นพระศาสดาปรารถนาความเจริญในพระธรรมวินัยต่อมาพระบรมศาสดาก็ตรัสในเรื่องของเมืองเนื้อกุสินดาราที่เรามากันเนี่ยว่าไม่ใช่เมืองเล็กเมืองดอนอย่างที่เธอเข้าใจนะพระนนทูลบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอย่ามาปรินิพานในเมืองเล็กๆเกมืองดอนๆกิ่งเมืองนี้เลยเมืองใหญ่หลวงมีอยู่นะ เมืองจำปาก็มีเมืองราชคฤห์ก็มีสาวัตถีเมืองสาเกตกรุงโกสมพีพระนศีที่เราไปน่าจะไปปรินิพานในเมืองใหญ่ๆมีกษัตริย์มหาศาลพรมะมนามหาศาลครือหบดีมหาศาลใช่ไหมที่เลื่อมใสในพระธรรมคดอยู่มากพวกเขาจะได้ทําการสการะในสรีราของพระาศาสดาที่ยิ่งใหญ่พระาศาสดาก็ตรัสว่าดูก่อนอาโ น, น์เธออย่าได้กล่าวอย่างนี้นะ อย่าไปกล่าวเป็นเมืองดอนเมืองเล็กนะในปางก่อนเมืองนี้พระเจ้าจักรพรรดมีนามว่ามหาสุทัศนะทรงธทรำรเป็นธรรมราชานะมีธรรมเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี้มีมหาสมุทรทั้ง4ี่เป็นขอบเขตเลยก็คือเป็นพระเจ้าจักรพรรดก็เลยเล่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ในรายละเอียดต่างๆก็ยังยังไม่มากล่าวนะสรุปแล้วเมืองนี้เป็นเมืองของพระเจ้าจักรพรรดมาปกครองพระาศาสดามาสอนเพื่อจะให้รู้ว่าอะไรควรกุศลเป็นธรรมะที่ควรเจริญเป็นต้น แล้วพระศาสดาก็บอกว่าให้พระนวนนั้นเข้าไปในเมืองกุศินราบอกแก่มันละกษัตริย์ว่าดูก่อนวาสิทธาตาถาคตมาปรินิพานในปัจจิมยามราตีนี้พวกท่านจงรีบไปเถิดพวกท่านจะได้มีความร้อนใจในภายหลังตาถาคตมาปรินิพานในเขตของเราพวกเราไม่ได้เฝ้าพระศาสดาเป็นครั้งสุดท้ายนะเดี๋ยวก็จะเสียใจพระนวนก็เข้าไปใน ในมนลษัชกย์ทั้งหลายประชุมกันที่สันทาคารด้วยกรณีกิจบางอย่างในขณะนั้นท่านพระนรนท์ก็ไปยืนณที่นั้นแจ้งข่าวการจับปรินิพานของพระศ า, ศาสดาพวกมลกษัตริย์เอวยโอรสสุนีสาประชาบดีได้สดับคําของท่านพระนนท์และเป็นทุกเสียใจเปลี่ยมไปด้วยความทุกข์ใจบางพวกก็สยายเกษาประคองหัดนั่งคร่ำครวญอยู่ล้มกลิ้งเกลือกไปมาเหมือนมีพระบาทขาดแล้ว ล้ำพันว่าพระบรมศาสดาปรินิพานเร็วนักพระสุคตเจ้าจักปรินิพานเร็วนักพระองค์ผู้เป็นจักสุในโลกอันตรธานอันตรทานเร็วนักพระเจ้านี่เป็นดวงตาของโลกนะพวกเราเนี่ยถ้าไม่มีพระบรมศาสดานี่เนีเราก็คือคนบอดคนหนวกคนใบ้ดีๆเนี่ยโยงเนี่ยพอใสยพระบรมศาสดานี่แหละจักสุเรายังมองเห็นทางว่าควรเดิน ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรควรทําไม่ควรทําเนี่ยถ้าไม่มีภาษาสดาเนี่เราก็เป็นคนตาบอดดีๆนี่แหละคำว่าบอดในที่นั้นก็คือปัญญานี่แหละมันบอดอยู่มองไม่เห็นหรอกไม่รู้จะปฏิบัติต่อพระสรีละพระเจ้าอย่างไรไม่รู้จะ บ, บูชาพระเจ้าอย่างไรใช่ไหมอันนี้เป็นบุญของเราแล้วเนี่ยตอนนี้จักสูคของเราก็ได้ล้างกันบ้างแล้วได้มองเห็นทั้งหน้าเรานี่ก็เอาพระไตร ย, ยวีวรน มาบูชาสถานที่เผาบรมศพพระบรมศาสดาของเราใช่หเผาระเอออเรามาบูชาสุดท้ายปายหลังเนี่ยดูเ็าทำสถูกบูชาถามบอกว่าเมื่อสอง0กว่าปีจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่นะดูที่ขนาดร่วงการผ่านวัยมาอย่างขนาดนี้เลยเรามาพิจารณาอยู่ตรงเนี้ยนะแต่สังขารก็คือสังขารนโยมนะมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโรคเป็นหัวปีเป็นลูกศรเป็นความลาบาก ถึงแม้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ปริพันธานี่นีก็ต้องดับไปเป็นธรรมดานี่เป็นอย่างนี้นี่แหละตรงนี้ก็คือกษรรตัตริย์เหล่านั้นก็เข้าไปยังสารวันแล้วเมื่อเข้าไปเบสเสร็จก็พากานแวะเข้าไปหาผ้ อ, อนนพผ้าออนวลจัดให้เข้าไปถวายบังคมพระบรมศาสดาโดยระดับตามสกุลนะด้วยการ ก็ให้เร่งเข้าไปถวายบังคมทีละคนจึงกราบทูลพระศ า, าสดาบอกโอ้ไม่ทันแล้วคนมากันแน่นหมดเลยไงนะก็ให้เป็นคณะเลยเข้าไปก็ไปยืนบอกชื่อบอกตระกูลบอกเป็นเสร็จเนี่ยนะเพราะต้องการทำให้เร็วนั่นเองเนี่ยตกท่านบอกว่าพระนครที่ยังต้องพัฒนาชื่อว่าคัติยะมหาสาลเป็นต้นเราเนี่ ย, น, ยนั้นท่านเล่าเรื่องภายหลังตรงนั้นก็คือว่าพระบรมศาสดาเนี่ย ตอนนั้นก็คือว่าเทศนาห น, นึ่งนี้ประกอบมาตอนนั้นสุภัทธาปริภาชกที่อาศัยอยู่ในเมืองกุสินารานิพระบรมศาสศดาปราตนาจะมาโปรดท่านบุญนี้เนี่ยเป็นปัจชิมมสาวกเข้าไปได้ฟังข่าวว่าพระาศาสตาจะปริมิพานในปัชิมยามแห่งราตีเนี่ยก็ดําริว่าเราได้ฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และปลาอาจารย์มาบอกว่าพระเถ า, าคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัตเกิดขึ้นในโลกเป็นบางครั้งบางคราว สมณะโคดมจากปฏินิพพานแล้วอันหนึ่งทําเป็นที่สงสัยที่เกิดแก่เรายังมีอยู่โอยท่านบุญดีมากนะท่านได้มีโอกาสไปถามข้อข้องใจเป็นครั้งสุดท้ายกับพระธเจ้าซึ่งพวกเราพลาดนนเนีข้อ น, นี้เนี่เราไม่ได้บําเพ็ญบา ร, รมีอย่างท่านพระสุภทัท t h ปริภาชกไนงะท่านได้ไปเฝ้าท่านเนี่ยโยมเนี่ยท่านไปเฝ้าท่านแล้วพอท่านเข้าไปลําดับนั้นสุภทัท t h ปริภาชกก็ไปหาท่นานพระอนุนที่สารวัน กล่าวถึงเหตุในการมาของตนขอเข้าเฝ้าพระ น, นนห้ามเหรือบยาเลยสุภัททะอย่าเบียดเบียนบัตถาคุเลยบ้านนนก็เสียใจอยู่แล้วใช่ไหมภาษาสดาป่วยขนาดนี้ยังจะไปถามปัญหาท่านอย่างนี้ต้องคิดดูทีถ้าอย่างเราเราท่านทั้งหลายนะถ้าพ่อแม่ลูกหลานหรือตัวเราเนี่ยการโครม่านี่แค่คนจะไปยุ่งกับเราเก็ลาบากใช่ไหม มีพระาศาสดามีพระหมหากรุณาธิคุณมากโตเถียงพระนลก็ไม่ให้เข้าท่านพระสุภัท ธ, ธาปริพาชกก็อ้อนวอนขอเข้าเฝ้าพระาศาสดาก็ถามว่าโนอนเสียงอะไรเนี่ยนะบอกว่าโอ้บอกว่ามีมีสุภัท ธ, ธาปริพาชกจะมาเข้าเฝ้าพระาศาสดาณที่ตรงนี้แหละแต่นี้พระประมาศสาศสดาก็บอกดูก่อน อ, อนอนลปล่อยเธอเข้ามาเธอตถาคตมาปรินิพานณที่กุศลลานี้ประโยชน์ก็เพื่อ จะโปรดสุภัทธาปริภาชกลองดูพระมหากรุณาธิคุณลองดูนะ้ำบัไทยของภาษาสดาซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณลมให้ใจจะขาดแล้วยังน้อมที่จะโปรดสุภัทธาปริภาชกระาศาสดาบอกว่าริาสุภัทธาปริภาชกเนี่ยเป็นพุทธเวรในเนะถ้าไม่ได้ฟังธรรมจากเราแต่ า, าคตเธอก็จะเสื่อมจากมรรคผลเธอก็จะไม่ได้ประโยชน์ถ า, ถาคตเนี่ย พยุงรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยที่จะมาปรินิพพานในะที่ตรงนี้ก็รอไงรอสุภัทบริพาโชคลอพวกเรานี่ยเลยโยมรอพวกเราที่จะมากันในวันนี้รอพระศาสดารอพวกเราเนี่ยจะโปรดเราแต่เราจะเข้าใจท่านหรือไม่ไอ้ตรงนั้นก็คิดกันเองเนะว่าพระบรมศาสดามารอโปรดเราทั้งนี้นะ ท, ทั้งทัๆที่สลีร่าถูกเผายังรออยู่เลยถูกเผาไปแล้วรนะอในฐานะของพระธรรมไงวา่าอูเมื่อไหร่นะอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นสาวกของเราเป็นรูปของเราเป็นบริษัทของเราจับมาเฝ้าเราได้ถูกต้องเมื่อเมื่อเฝ้าเราแล้วจะเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตรับรู้แล้วก็ตั้งอกตั้งใจฟังธทำปฏิบัติทำตามสมควรแก่ทำที่เราได้บอกแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วเราเล่าต่างๆเราเนี่ย ตอนนี้เรามาแล้วเราน้อมใจได้ยังว่าจะฟังพระศ า, าสดาจริงๆนะสุภัทธะก็เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าเมื่อเข้าไปเฝ้าก็ชื่นชมได้กล่าวถ้อยคําผ่านพ้นไปสุพัทธะก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นหมู่เป็นเจ้าคณะเป็นคณาจารย์มือชื่อเสียงมียศเป็นเจ้าระทิเป็นชนเป็นอันมาก เป็นคนดีมีปุรณกัสปะเข้ากล่าวว่าท่านเหล่านั้นเป็นคนดีอะปุรณกัสปะมคคารโคสาละอชิตาเกสกามพลปกุทธกจายนาะสัญชัยเวรัพุตรนิครนนาตบุตรครูทั้งหกเหล่านั้นปฏิญญาณตนว่าตัดสู้เป็นผู้ตัดสู้กันทั้งนั้นว่างั้นพระบรมศาสดาก็ตรัสห้ามริยาเลยสุภัททะข้อนั้นหยุดไว้ก่อนนะเราจะแสดงทำแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดี จงตั้งโยนิสโสมนัสิการให้ดีนะเราจะกล่าวดูก่อนสุภะทะตรัดบอกแก่สุทธะนะแต่ตรัดบอกแก่พวกเราเนะตรัดบอกแก่พวกเราอย่าไปมัวสงสัยเรื่องอื่นอย่าไปมัววิตกกังวลกับลูกเยกับสามีกับภรรยากับทรัพกับบุตรคนนูน้นกับคนคนนั้นว่าเราชมเราคนคนนั้นดีเหลือเกินคนนั้นชั่วเหลือเกินอย่าไปมัวสงสัยอย่างนั้น นะพระบรมศาสดาตรัสบอกแกสุภัททะก็คือบอกเรานี่นยแหละบอกว่าอาริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ปดประการเนี่ยคือความเห็นชอบดําหรีชอบเป็นต้นเหล่านี้นะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวายา ม, าส ม, มาสัสัมมาสติสัมมาสมาธิที่สรุปลงในศีลส ม, มาธิปัญญาเนี่ยหาไม่ได้ในพระธรรมวินัยนั้นเลยท่านบอกว่า ในธรรมวินัยใดแม้สมมนาที่หนึ่งที่สองที่สก็หาไม่ได้ถ้าไม่มีมรคมีองแปดนะถ้าไม่เดินตามสติประฐาน 4, สี่สัมมาประธาน4อิทิบาทสี่และี่ห้พละห้าโพชงเจ็ดมรคแปดแล้วเนี่ยนะอริยมรคอันประกอบด้วยองค์8หาได้ในธรรมวินัยใดสมมนาที่หนึ่งคือปโสดาบันสมมนาที่สองคือพระสกาทาคาสมมนาที่สคือพรานาคามีสมณนที่สคือพระรารหัน์ก็จะอยู่ในธรรมวินัยนั้นสุภทัทธะ อริยมรรคที่ประกอบด้วยองค์8ประการก็มีสติปัฏฐานส ม, มปัฏฐานอิทิบาทอินทรพราพโอชงองค์มรรคนี่นะหาได้ในธรรมวินัยนี้คือธรรมวินัยนี้ก็คือในธรรมวินัยที่พระตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วฉะนั้นในพระธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้าเนี้ยจึงมีพระโสดาบันมีพระสกาทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ฉะนั้นเราเดินกันมาถูกทางแล้ว เราจะเป็นเราจะพัฒนาตนเองจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันจากพระโสดาบันเป็นพระสกท า, าคาจากพระสกท า, าคาเป็นพระอนาคาจากพระสอนาคาเป็นพระอรหันต์ก็ในพระธรรมวินัยของพระผู้มีประภาคเจ้าที่เรานั่งอยู่ต่อหน้านี่แหละฉะนั้นเราในฐานะเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาก็ต้องมานั่งใกล้ชิดโดยฐานะแห่งการทําจิตให้เลื่อมใสให้ตั้งมั่นในคุณของพระาศาสดาทําความเพียร ยกระดับกุศลให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งสติให้มั่นคงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคุณของท่านทำสมาธิให้มั่นคงกำจัดความฟุ้งซ่านลำคาญใจแล้วก็มีปัญญาเข้าถึงธรรมของภาษาสดาเนี่ยนะภาษาสดาตรัสบอกว่าสุภัสทภิกษุเหล่านี้ฟังอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระดาหันนะถ้าปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดสุภัสทก็กล่าวว่าเรามี บอกดูก่อนสุภัสธะเรามีวัย29ปีบวชแล้วสแสวงหาอะไรเป็นกุศลอะไรไม่ใช่กุศลตั้งแต่เราบวชมานับได้51ปีแม้สมณะเป็นไปในประเทศแห่งพระธรรมเป็นเครื่องนำออกไม่มีในภายนอกพระธรรมวินัยนี้พทธเจ้ายืยนยันเลยนะยืยนยันบอกว่าเราบวชมาตั้งแต่อายุ29อ่ะตอนบัรประชาครั้งแรกสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลน่ะในพระธรรมวินยัยภายนอกใน ทั่วจักรวาลทั้งสงิ้นไม่มีหรอกเพรางั้นนะไม่มีหรอกพระบรมศาสดาก็บอกว่ามีอยู่ในพระธรรมวินัยของพระธรรมโคตรที่ได้ตัดสู้เองโดยชอบเท่านั้นเมื่อตรัสในลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยสุพัทธะปริพาชค ก, กาบทุลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิทธิ์ของพระบรมศาสดาแจ่มแจ้งดุดไงของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางก็ตามปฏิบัตในที่มืดผู้มีจักษุจะเห็นรูปชั้นใดพระพุทธเจ้า ทรงประกาศธรรมโดยเอเนกปริยายชั้นใดก็ชั้นนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เอาเราประกาศถึงได้ไหมเอาเดี๋ยวว่าตามหน่อยนะเดี๋ยวมาจะนำให้นะอประกาศถึงรัตนากันหน่อยเอาเอสาหังพันเ ต, เ พ, นเตพักควันตัง สารนังขฉามิทำมันจาพิกุสังคันจาอุปัสกังมังพักวาราเทาเรตุอัจฉตตเคปานุเปตังสารนังขตังข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้านี้ ให้นึกนะข้าพเจ้านี้มีชื่อว่าอะไรนึกในใจด้วยเนะข้าพเจ้านี้เ น, นี่ยนี่ยมาเป็นผู้นําอย่างเดียวเนอะขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรมรมแ ล, พพและพระภิกษุสงฆ์เป็นจารณ ะ, เ ป, ระเป็นเครื่องกําจัดภยัเภย<ไ>ปเป็นที่พึ่งเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้า ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาว่าไปพูดถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตน้อมและลึกจริงๆนะว่าถึงตลอดชีวิตบอกว่าถึงแม้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 ว่าประกาศยืยนยันเข้าถึงไตรสระนคมนะว่าพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกฉามิสังฆังสระนังกฉามีเป็นต้นอะเนี้ยนะพระผู้มียภาคเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุดห่วงมหนันโพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดใช่ไหมเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลตของโลกข้าพระเจ้าก็ขอ กราบไหว้พระเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอือเ้อเฟื้อพระธรรมของพระาศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประที่จำแนกเป็นมรรคผลนิพพานด้วยแล้วก็ส่วนใดนะแล้วก็ที่เป็นพระปริยัติธรรมเลที่เป็นตัวชี้แนวแห่งโล ก, กุตละข้าพเจ้าก็ขอกราบไหว้พระปริยัติธรรมครับมรรคสี่ผลสีและนิพพานหนึ่งี่นะพระสงฆ์ก็เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย เป็นผู้เห็นพระนิพพานตัดรู้ตามพระสุคตด้วยเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระริยาเจ้ามีปัญญายาดีข้าพเจ้าก็ขอกราบไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเรื้อนี่นะบุญใดที่เราท่านทั้งหลายกําหนดว่าอยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตถตรยัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทําแล้วเป็นอย่างยิ่งในวันนี้ขออุปัฏฐะทั้งหลายจะมีแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งความสําเร็จมันเกิดจากบุญอุปัฏฐะคือการเกิดเนอะ อุปเทวะคือความแก่อุปเทวะคือความตายทั้งหลายเหล่านี้ยพุทธคือสภาวะตัดสรู้อริยสัจ4ีนะยมนะมนะคำว่าพุทธังพุทธังในที่นั้นนะ่ยคือสภาวะที่ไปตัดสรู้ทุกตัดสรู้เหตุให้เกิดทุกตัดสรู้ความดับทุกก็คือตัดสรู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกธรร ม, มะก็คือสภาวะของอริยสัจสนะี่นั่นแหละโดยจำแนกเป็นมรซีผลสีนิพพานหนึ่ง <rue k> ปริยัติธรรมอีกหนึ่งพระสงฆ์ก็คือสภาวะที่ เข้าถึงอริยสัจสีตามพุทธเจา้าตรงนี้ก็คือว่าเราท่านทั้งหลายก็เดี๋ยวเราสวดประกาศพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณหนึง่งอิทิปิโสภาคาา